ให้นกรู้จักรู้สึกตัวอย่างนกรู้จักรู้สึกตัวอย่างนกภาวนาก็ดีแะให้ดูไปเรื่อยนะดีขึ้นเยอะแล้วรู้สึกไหมอย่าปล่ใจให้ฟุ้งซ่านน ะ, นะอย่ายอมมันอย่ายอมให้มันฟุ้งไปเคยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะนะสึกขึ้นมาบางคนภาวนาเป็นเสียเลยภาวนาแ ล, ล้วใจมีแต่เตลิดเปิดเฟิงไป ให้คอรู้สึกตัวอย่าทิ้งความรู้สึกตัวทิ้งความรู้สึกตัวจะเสียเลยนะคนมองการส่งกันบ้างเนี่ยแต่ว่ามันต้องค่อยๆปรับไปไหลๆไปสุดัวอีกข้างก็คือบังคับซึ่ ง, งแม้ตอนนี่บังคับค เนี่ยข้อเสียนะมันมีข้อดีข้อเสียนะการนะทําตามรูปแบบอะ่ะมันทําให้จิตใจเรามีกําลังจิตใจเราตั้งมั่นพอตั้งมั่นมากไป น, นิดนึงนะแต่ไปควบคุมมันไว้ให้เราคอยดูนะให้มันข้อดีเป็นดีให้มันสมดุลของมันเองแหลนะนใจเราเดี๋ยวก็หนักไปเดี๋ยวก็เบาไปเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวบังคับเอาไว้เออ ถูกต้งถูกต้องเศีกออดีนะเหมือนคมมีดเล็กนิดเดียวออที่จริงทับเรียบให้ถูกเลยนะเหมือนปลายเข็มตรงนี้ก็ผิดตรงนี้ก็ผิดด้วย <c oughs> ไม่ใช่ตรงนอ่งเดียวทันะ้งหน้าทั้งหลังนะทั้งซ้ายทั้งวขวาพลาดเคลื่อนหมดเลย <c oughs> ให้เราคอยสังเกตเอาค่อยรู้เอานะในสุดใจเราจะติดตั้งอยู่บนปลายเฉมนะไม่เคยเยื่อน ตั้งโยที่ไม่ได้รักษาถ้ายัางต้องประคองอยังต้องรักษาถ้ายัางไม่ใช่ของจริง<ม>นะนะรู้สึกไหมทําขึ้นมาก็ผนะิดและพยายามทํามาผิดแล้วะตอบดีตับถูกแล้วนี่แหละเคยมาไหมคนนี้แล้นะาสังเกตใจเราไปเรื่อยใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยรู้สึกไหม บางวันเศร้าหมองบางวันผไองสบางวันเบิกบา น, นบางวันหุหูเนี่ยแต่และวันไม่เคยเห <seventh> มือนกันให้คอยรู้ไปเรื<ๆ>่อยๆแต่และเวลาก็ไม่เหมือนกันเ<ๆ>ช้าสายบ่ายเยน็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนปแปลงไปเร<ๆ>ื่อยๆนึกออกไหมถ้าไปฝึกแค่ไม่โดยวันนั้นอีกแต่และขณะความรู้สึกเราไม่เหมือนกันขณะที่เรามองเห็นคนนี้ความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งขณะไปเห็นอีกคนหนึ่งความรู้สึกก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง นึกออกไหมเห็นเพื่อนเรามาเราดีใจเห็นมาบ้าวิ่งมาเรากลัวเนี่ยความรู้สึกเราเปลี่ยนให้ค่อยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะรู้เล่นๆให้มันเปลี่ยนไปแล้วก็คอยรู้เปลี่ยนไปแล้วค่อยรู้อย่าไปบังคับนะเริ่มไปบังคับอีกแล้วแหละนะรู้สึกไหมไปบังคับมันอย่าบังคับตัวเองนะทําให้มันสบายสบาย คุณไทบูนกลับมาบูนรู้สึกไหมสารนเป็นไงสารันก็อย่ า, อ ย, าอย่าปล่อยวางขนาดนั้นนะรู้เยอะๆหน่ อ, อยเนี่ยบอกรู้เท่าที่รู้ได้แล้วันหนึ่งรู้สองคนอย่างนะี้นะน้อยไปนะ <c oughs> <c oughs> โลกมากๆเลย ดีแล้วสลายเครู้สึกเลยนะอย่าปล่อยใจให้เฉยนะเคยรู้ไปของคุณพอดีขึ้นแล้วนะขงคุณรู้สึกไหมไม่เป็นไรรู้ทันแล้วไงแต่เดิมประคองก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เผลอก็รู้จักแล้วใช่ไหมประคองก็รู้จักแล้วใจค่อยๆตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยดีเองแหละใจตอนนี้รู้สึกไหมมันเหมือนมีกำลังมากขึ้นแล้ว ฝกไปเรื่อนะใจจะตั้งมั่นมีกําลังขึ้นมาพอเราประคองเราก็รู้เผลอไปก็ค่อยรูนะ้ในสุดจะเห็นเลยมีภาวะสามอนเผลอไปประคองไว้แล้วก็รู้สึกขึ้นมามีสามแบบหมุนเวียนทั้งวันเลยนะส่วนคนที่ไม่เคยปฏิบัติมีแบบเดียวหลงนักปฏิบัติส่วนใหญ่มีสองแบบไม่ประคองไว้ก็เผลอไปเลยนะไอตัวรู้เนี่ยไม่ค่อยมีมีน้อย อี่ยคุณมนทาอะไรตอนนี้ฮึแค่รู้ทันนะรู้ทันไปอาจูนว่าไงึใจเรานี่พี่ก็บอกว่ารัุขเดทุกข์นี่ไม่จริงอะเพราะว่าถ้าใจมันมีจิตใมันจะไหลท่ตลอดเวลาชอบที่จะมไปคือมันจริงๆมันวิ่งหาความสุขมันอยากได้ความสุขแต่มันโง่มันไปหาความทุกข์มาแทนมันวิ่งไปหาความทุกข์ตลอดเพราะว่าขนาดขนาด เออดีแล้วเออดีแล้วดูไปนะคนมีปัญญาเขาจะเห็นแต่มีแต่ทุกข์ล้วนล้วนคนขาดสติขาดปัญญาก็เห็นลโลกนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างถ้าปัญญาแก่กลา้าขึ้นเห็นแต่ทุกข์ล้วนล้วนเลยไม่สุขหรอกแระวางโลกนะหลู่เทศนมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสิ้นโลกเหลือธรรมเคยได้ยินไหมเห็นไหมตอนท่านเขียนใหม่ๆนะอุย้ยฮือหามากสิ้นโลกเหลือธรรม เลือกันบอกเนี้ยเล่มสุดท้ายของท่านแนละ้วสิ้นโลกกันแล้ว <c oughs> คนชอบลือแบบเนี้ยท่านอยู่มาอีเป็นสิบปีเลยเสร็จ <c oughs> แล้วท่านก็เขียนอีกเชันสิ้นโลกเหลือธรรมโลกก็คือขันห้าคือกายคือใจอกองทุกข์ล้วนๆแลสิ้นโลกก็จะเหลือแต่ธรรมล้วนๆมีแต่ความสุขใจว่างๆนะว่างเขาเองแกจของเราตอนนี้รู้สึกเหมือนแอบทํางานทั้งวัน มันชับทำงานไปทั้งวันอ่ะเราคิดดูวันหนึ่งที่ใจเราหมดการทำงานมันจะมีความสุขขนาดไหนลองนึกดูมันเหนื่อยสิมันทุกข์อ่ะอืมนั่นแหละดูไปดูไปจนปัญญามันแก่รอบนะแ้าไปมันเลิกทำงานโอ้มีความสุขนะอัศจรรย์ที่สุดเลย เกี่ยวเนื่องกันนะปฏิจจสุบาตเป็นการอธิบายอธิบายกระบวนการที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์ก็คือตัวขันนั่นแหละอย่างความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจไม่รู้ไม่รู้จักขันนั่นเองไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีมีแต่ขันห้าไม่รู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราคิดว่าตัวเรามีจริงๆ ก็เกิดการปรุงแต่ ง, งวิชาปัจจัยสังขาระจะเกิดการดิ้นรนจะให้ตัวเรามีความสุขจะให้ตัวเราพ้นทุกข์วิธีดิ้นรนก็มีสามแบบดิ้นรนอย่างโง่โง่งเรียกว่าอาปุญญาที่สังขารคือเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจอย่างหมาแมวมันก็หานะาแมวมันไปจับนกได้มันก็รู้สึกมีความสุขตัวกูมีความสุขแมวไม่มีปัญญารู้ว่าเราไม่มี คิว่ามีจริงๆจูนก็มีจูนจริงๆรู้สึกไหมเนี่ยมันมีอวิชามันไม่รู้ความจริงว่าเราไม่มีหรอกมีแต่รูปขณามีแต่โลกไม่ใช่เราเป็นของโลกไม่ใช่ของเราคิดว่าเรามีจริงๆคิดว่าเรามีจริงๆก็ดิ้นหาความสุขในการที่ดิ้นหาความสุคนั่นแหละไปสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นพวกโ ง, ง่ๆก็วิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจพวกที่ฉลาดขึ้นมาเห็นว่ายังวิ่งตามอารมณ์ไปเรื่อยๆอยังทุกข์อีก นะเพราะว่าวิ่งตามอารมณ์ไปก็เดี๋ยวก็เจออารมณ์ที่ไม่พอใจคนนี้คิดว่าถ้าเรารักษาใจาเราไว้ได้แล้วจะมีความสุขนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักรักษาใจตัวเองคอยประคองคอยรักษานี่เรียกว่าปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายกุศลฝ่ายบุญนะรากเงาของมันก็คืออวิชาอันเดียวครัฝ่ายบาปนั่นเองอีกพวกหนึ่งฉลาดขึ้นไปอีก เห็นว่าลําพังการรักษาใจไว้เนี่ยก็ยังไม่พ้นทุกข์ทีเดียวเขาใจพอกระทบอารมณ์นั้นก็กระเทือนพวกนี้หาทางฝึกไปจนกระทั้งไม่กระทบอะไรเขาอารูปฌานเรียกว่าอาเนจรพิสังขารไม่กระทบอะไรแล้วสบายนก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวออกมาอีกงั้นพอมีความปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยวิญญาณก็จะหยั่งลงในภพต่างๆเป็นภพวิญญาณหยั่งลงทางตาหูจมูกลิ้นกาย จินยานอย่างลงทางจิตใจใจิตอย่างลงไปนะความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมันก็เด่นขึ้นมาความทุกข์มันก็ชัดขึ้นตรงนั้นเลยหน้าที่ของเราไม่ใช่พยายามไปปรุงแต่งสามแบบหน้าที่ของเราไม่ใช่พยายามละเลยเลิกความปรุงแต่งสามแบบนั้นหน้าที่ของเรามีอันเดียวรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจจนละความเห็นผิดคือเกิดวิชา ละความเห็นผิดรู้เราสิ่งที่เรียกว่าเราจริงๆเป็นของโลกเป็นปรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นของโลกก็คืนให้เจ้าของคืนโลกเข้าไปเราคืนกายคืนใจให้กับโลกเลนี่ยสิ้นโลกเหลือธรรมแล้วสิ้นคืนไปหมดเลยคืนโลกไปเหลือธรรมมันเดียวล้วนๆนะจิตใ จ, จยังมีความสุขที่สุดเลยอันนี้ฟังครูบาอาจารย์มานะเนี่ยวันนี้มีอ่นเทปครูบาอาจารย์สอนต่อๆกันมาอย่างนี้นะ ใช่เขาเลี้ยงมันไปเรื่อยๆนะอวิชาเป็นกิเลสเจตนาสามอย่างเนี่ยเป็นตัวกรำนะเมื่อเกิดการกระทำสามอย่างนี้ก็เกิดพิบากิหนะลอเลี้ยงกิเลสให้เยอะขึ้นอีกนะให้หนักหนาขึ้นมาอีกแน่นขึ้นมาอีกมันหนามันแน่นแตมันไม่รู้ตัวก็มันไม่รู้สิมันถึงได้หนาคําว่าหนาเนี่ยคือคําว่าปุถุชน น, นั่นเองปุถุชนก็ลว่าคนหนาเห็นไหม ภาษานี่มันโลงตรงรู้สึกไหมมันหนาถ้าคนไหนกิเลสมากๆนะเวลาจิตใจเำหรัคนนะที่กิเลสหนาหนามันจะหนักมากเลยเคยเห็นไมมันเหมือนคนมันแบกครบไปด้วยแบกครบหินอ่างฟีลานะนี่พวกมีกิเลสตันกลางพวกกิเลสหนาหนามันแบกครบตำข้าว <c oughs> ไปไหนะเอาไปด้วยหนักอึดเลยค่อยรู้นะรู้ลงไป พระพุทธเจ้เลยไม่ได้สอนให้เราทําเดินตามทางสามแบบนั้นนเพราะนั้นยิ่งตอบสนองความไม่รู้ท่านสอนให้เราหันมารู้กายมารู้ใจเรียนรู้กายรู้ใจทำความเป็นจริงนะรู้ความจริงไม่มีเราเวางไปจะหลุดออกไปนี่เป็นทางรอดคนนี้มาจากไหนไเออไปฝึกมาแบบไหนไเออเรียกผ่องยุบนะไม่มีหนอก ฝึกแบบพองยุบพองยุบก็ฝึกไปฝึกให้มันมีสติเราเห็นเลยที่พองที่ยุบเนี่ยเป็นรูปใจของเราคนที่รู้ที่พองที่ยุบเนี่ยเป็นนามธรรมหัดแยกกายแยกใจนะคือไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรเนี่ยสุดท้ายต้องหัดแยกกายแยกใจให้ได้ถ้าเราแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามไม่ได้เนี่ยเจริญปัญญาไม่ได้เนี่ยจะเห็นในยกายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งกายเนี่ยเดี๋ยวมันก็พองเดี๋ยวมันก็ยุบ นะเปลี่ยนแปลงตลอดเอาแน่นอนไม่ไดนะ้รูปที่พองกับรูปที่ยุบกับคนละรูปกันดูออกไหมนะดูไปโค้านไปเลยเห็นไหมว่าไอ้รูปที่พองที่ยุบนี่เป็นของที่ใจไปรู้เข้าต้องแยกตัวนี้ด้วยนะแยกใจออกมาเป็นคนรู้ให้ได้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ขณะเนี้ยตะกี้นี้ทำอะไรเอาอะไรแน่นะจะนั่งหรือจะฟังเวลานั่งรู้สึกการ น, นั่งไหม หรือว่าฟังในขณะที่ฟังก็ลืมรูปนั่งนะคอยรู้สึกรู้สึกไหมเราบังคับตัวเองไม่รู้สึกนะเดี๋ยวค่อยไปหาแต่เดี๋ยวก็รู้เองแหละ <laughs> นับปฏิบัติที่หลวงพ่อบอกเราไม่ได้แกล้งว่านะนับปฏิบัติชอบบังคับตัวเองไม่ได้รู้กายทําความเป็นจริงไม่ได้รู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้นีไปคิดแล้วทราบไหมนิดหน่อยอนิดหน่อยก็คิดนั่นแหละนะ ให้คอยรู้ทันนะรู้ทันตัวเองจนเราตื่นเรามีสติที่แท้จริงขึ้นมาน้อยคนนะจะมีสติได้ส่วนมากชอบแกล้งทาให้ซึมซึมรู้สึกไหมกำลังน้อมใจเขาหาความซึมนะมใช่ใจหลงไปนะใจมีโมหะใจหลงไปฟุ้งซ่านซึมซึมไปนะคอยรู้สึกขึ้นมาใจแอบไปคิดทราบไหมให้รู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันจะถูกมันหลอก นี่ก็หนีไอ้คิดแล้วผู้พิพากษา <c oughs> เวลาเราปฏิบัติทำนะเราต้องไม่เป็นผู้พิพากษานะ <c oughs> เราเป็นแค่คนดูผ <c oughs> ู้พิพากษาเนี่ยชอบตัดสิน <c oughs> อันนี้ถูกอันนี้ผิด <c oughs> <c oughs> เราไม่ไม่ตัดสินนะ <c oughs> คิดเราเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้นะรู้ตามที่เขาเป็นไม่ไปตัดสินนะว่ากิเลสไม่ดีกุศลดีอะไรเงี้ย อยากทำกุศลเยอะๆเพราะว่ามันดีอยากปิดกั้นไม่ให้อาคุณเกิดเพราะมันชั่วเราไปให้ค่ า, าไปตัดสินใจลอยรู้จักไหมใจลอยแว บ, บไปเมื่อกี้เนี้ยหนีไปคิดแล้วรู้ไหมให้คอยรู้ทันนะรู้ไปเรืเมื่อกี้ทําอะไรอยู่ใช่คิดตามเติมคําว่าหลงไปนิดหนึ่งสังเกตไหมขณะที่เราคิดเนี่เราจะทิ้งรูปนามไป เมื่อไรเราลืมรูปลืมนามนะไม่นั่นเรียกว่าหลงทั้งหมดเลยแต่การรู้รูปนามก็ไม่ใช่การเพ่งรูปนามนะต้องระวังของคุณอย่างติดเพ่งอยู่รู้สึกไหมเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติแล้วก็ไปจงใจไปจ้องเอาไว้นะไปจ้องจ้องท้องอะไรเงี้ยนะเวลาเดินก็ไปจ้องใส่เท้าสังเกตไหมจิตใจขณะนี้กับจิตใจปกติไม่เหมือนกันรู้สึกไหมนะอย่าแกล้งทำขึ้นมา การปฏิบัติที่ถูกต้องนะคือรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงของคุณรู้สึกไหมพอเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยกายาใจเราไม่เหมือนปกติละพระเราเข้าไปดัดแปลงเขาค่อยๆปรับตัวนี้นะปรับไปต่อไปเราจะเห็นท้องพองท้องยุบในด้วยใจที่สบายใจที่ตื่นเป็นกลางใจจะโล่งใจจะเบาเลยไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สึมไม่ทึ้งตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหม ยหารู้สึกนะหากรู้สึกไปเนี๋ยวถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกคุณจะรู้เลยหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่านะในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมีแต่คนคิดคิดคิดไปเรื่อยถ้าไม่คิดนะลงมือปฏิบัติก็เพ่งเอาลูกเดียวเลยในโลกมีแต่คนอย่างนี้ทั้งนั้นเลยไม่มีคนรู้สึกตัวทําอะไรอยู่แต่คี้นี้ทําอะไรอ่าตอบถูกสังเกตไหมพอเรารู้ทันว่าใจใจเราไปคิดเนะี่ยแค่เราตื่นขึ้นมา เรจะฝึกจนเราตื่นเต็มที่เลยนะไม่ใช่ฝึกจนกระทั่งฝึกอย่างนี้ไม่ใช่นะใชนะ่มันแกล้งทําะฝึกจนจะทั่งตื่นขึ้นมาเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยจิตใจของมนุษย์ปกติเนี่ยเป็นจิตที่เหมาะกับการที่จะรองรับธรรมะมากที่สุดภูมิจิตของมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิจิตที่เหมาะกับการบรรลุธรรมมากที่สุดไม่ใช่ภูมิจิตของพรหมนะ เนี่ยถ้าทื่อๆแล้วบรรลุเก่งแล้วก็พระพุทธเจ้าจะตรัสสรู้ในพรหมโลกเลนี่ทำไมเลือกตรัสสรู้ในภูมิมนุษย์จิตมนุษย์นี่แหละดีที่สุดมนุษย์นี่เป็นสุขติของเทวดานะงั้นเวลาเทวดาจะตายพรกพวกจะเตือนอขอให้โชคดีนะไปสุขติได้เป็นคนนะของพวกเร า, าเพื่อนจะตายไปเป็นเทวดานะอา้าวเพ่งไว้เพ่งไว้เดี๋ยวจะได้ไปเป็นพลห มันไม่พอใจสิ่งที่วิเศษที่สุดละจิตใจมนุษย์ปกติวิเศษที่สุดละเพราะว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเปลี่ยนแปลงให้ดูได้ทั้งวันเล ย, ส, ยส่วนจิตของเทวดาของพรมมันมีแต่ความสุขมันจะทื่อๆนิ่งๆไปมันไม่มีใจรักให้ดูไม่เกิดกันอย่างง่ายหรอกเนี่ยทําอะไรอยู่เมื่อกี้เนี่ยใจลอยรู้จักไหม<ะ>เออนั่นแหละนั่นแหละเออนะเห็นไห้ไหลแวบไป หน้าที่ของเรารู้เท่าที่เขาเป็นไม่ใช่แกล้งรู้ไม่ได้แกล้งทํอาอผู้พิพากษาทําอะไร เ, เห็นไหมหนีไปแล้วใครดูนะดูไปนบอีกน่าเราจะเป็นผู้พิพากษาชั้นเลิศเลยไม่มีอคติใจเรามีอคตินิด น, นึงเราก็จะเห็นนะเนี่ยทําทอะไรห <c oughs> ลงไปแล้วนะ คนรน้นทำอะไรอยู่ไม่รู้เหรออย่าเป็นบังคับตัวเองรู้สึกไหมกำลังสร้งหน้าข้้งตาบังคับตัวเองอยู่อย่าบังคับรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะรู้ตามความเป็นจริงร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นเลยไอย้ที่เคลื่อนไหวอ ย, อยู่เป็นแค่รูปธรรมนามธรรมไม่ใช่เรา คุณข้างหลังสองคนนะั้นมาจากไหนกันเคยมาไห ม, ไมเนะหอฝึกมาแบบไหนอเอ อ, องยุกไม่ต้องมีหนอนะเดี๋ยวอาจารย์ว่าก็าเรียกฟังยุบนะฟังยุ ก, นะยกฝึกพองยุไปฝึกต่อไปนะแต่ฝึกให้ได้สตินั้นเรารดูท้องที่พองยุบไปเคยไหมดูท้องพองยุบอยู่ใจหนีไปคิดเรื่องอื่นเคยเป็นไหม เราก็ดูท้องพองยุบนะใจเราหนีไปเราก็รู้ทันมันนะดูท้องพองยุบไปเรื่อยๆใจเราไปเพ่งที่ท้องเคยเป็นไหมนึกออกไหมใจเราถลำลงไปเพ่งที่ท้องเราก็รู้ทันอีกนะในที่สุดเราจะรู้รูปที่พองที่ยุบด้วยใจที่เป็นกลางกลงตื่นตื่นสบายๆใจจะไม่เครียดเครียดถ้าเมื่อไหร่ภาวนาแล้วใจแข็งแข็งเครียดเคียดนะสนแสดงว่าทาผิดนะจิตที่แข็งจิตที่เครียดจิตที่หนัก จิตที่ทื่อทื่อเป็นอกุศลจิตจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแค่คว่องไวตอนนี้ทําอะไรเมื่อกี้นี้ทําอะไรเมื่อกี้พยายามทําอะไรทราบไหมให้ครยรู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นนะคอยรู้ทันไปเรืยสังเกตไม่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อแปบหนึ่งเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆดูออกไหม ถ้าเราอยากดูจิตก็คือเรารู้ทันใจเราหนีไปฟังก็รู้หนีไปคิดก็รู้ให้คอยรู้ทันไม่ห้ามนะไม่ได้ฝึกเพื่อจะห้ามถ้าฝึกห้ามแเราจะเครียดรู้สึกไหมใจหนีแวบบแวบบไปเนี่ยอย่าน้อมเข้าไปหาความสึมๆนะคุณเสื้อแดงอย่าน้อมใจเข้าไปคอยรู้สึกตัวไว้คุณคนนั้นนะี่ยอย่าใจลอยไปรู้สึกเอาจันพาใครมาวันนี้ แล้วเนี่ยมากะไทยที่นั่งกับอาจารย์นเนี่ยออกมาด้ยกันแล้วนี่ละ่ะฝึกอะไรมาฟงยุบเปล่าพองยุบไม่เรียกยุบเนอพองเนอเดี๋ยวอาจารย์ดูเอานะเขาเรียกว่าฝึกสายฟงยุบนะเ <c oughs> นาะเนาะนี่เราเราเป็นคําพูดในะครดูไปนะร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบเนี่ยรูปมันพองรูปมันยุบนะใจเราเป็นคนดู จะต้องมีใจเป็นคนดูนะถ้าไม่มีใจเป็นคนดูแยกออกมาจากรูปแยกรูปแยกนามไม่ได้ถ้าอะไรยังแยกรูปแยกนามไม่ได้จะเจริญปัญญาต่อไปไม่ได้ปัญญาขั้นต้นที่สุดเลยเรียกว่านามรูปปริเฉทายานจะเห็นในรูปเป็นก็อันหนึ่งนามธรรมมันก็อันหนึ่งนะร่างกายที่เคลื่อนไหวที่พองที่ยุบก็อันหนึง่งร่างกายที่ยกที่ย่างอะไรนี่ก็เป็นอันหนึง่งใจอยู่ต่างหากใจเป็นคนรู้คนดูพยายามแยกกายกับแยกใจไปเรื่อยๆ เดียวเราจะเดินพองยุบต่อไปได้คุณเสื้อแดงทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้นั่นแหละเรียกว่าเพ่งนะรู้สึกไหมเราอันแรกสุดนะเราเกิดความอยากจะปฏิบัติตัวนี้คือตัวโลภะอันที่สองพอเราเกิดอยากปฏิบัติเราก็ไปเพ่งใส่ท้องใจเราไปคอนเซนเทร e นิ่งๆอยู่กับท้องอันนี้เรียกว่าเพ่งนะรู้กับเพ่งนี่ไม่เหมือนกัน รู้เนี่ยใจเราจะสบายเมือเราดูอยู่ห่างๆเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปใจของเราเป็นคนดูอยู่ห่างๆอย่างคุณเราเพ่งอย่างตะกี้ใหม่ลองดูเนี่ยรู้สึกไหมมันคือการเพ่งนะการเพ่งเนี่ยมันได้สมถะนะจะไม่ขึ้นมิปัสนาหรอกสิ่งที่ผิดมีสองงานรู้ได้เจ้าสอนนะเคยอ่านธรรมจักรไหมธรรมจักรกวัฏฏสูตร ดูก่อนที่สู่ทั้งหลายนะความสุดสูงสองข้างที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรเสพอันหนึ่งเรียกว่ากามสุขาริการุโยค ก, การที่จิตไหลาตามกิเลสไปอยากดูวิ่งไปดูมันจะลืมตัวเองอยากฟังวิ่งไปฟังลืมตัวเองอยากรู้เรื่องวิ่งไปคิดจะลืมตัวเองเป็นการตอบสนองกิเลสเรียกว่ากามสุขาริการุโยคเราจะลืมกายลืมใจตนเองอย่างที่2เรียากว่าอัตตกิลมัทฐานุโยค ก, การบังคับกายบังคับใจตนเอง คุณลองเพ่งอย่างตะกี้ใหม่รู้ท้องใหม่รู้สึกไหมมันเป็นการน้อมใจนะน้อมใจเนี่ยเราอย่าน้อมเข้าไปตรงนี้ถ้าเข้าตรงนี้จะได้แตดสมถะนะคุณต้องถอยใจออกมาเป็นแค่คนดูอย่าให้ใจไหลเข้าไปอย่างตะนี้อย่าให้ใจถล่เข้าไปให้เห็นร่างกายนี่มันนั่งอยู่เห็นร่างกายนี้มันพองร่างกายนี้มันยุบใจของเราเป็นคนดู เหมือนเรากาลังดูคนอื่นนะดูอยู่ห่างๆอย่าถลําเข้าไปอย่างเมื่อกี้ที่ดูนาะมันเป็นการถลําเข้าไปรู้คุณนึกออกไหมมันแค่้ายๆเราชะโงกดูอะไรที่ลอยน้ํามาแล้วเราชะโงกจะเราตกลงไปอยู่ในน้ำํำหรือเราไปดูอะไรที่ก้นบ่อน้ําชะโงกเลยตกไปอยู่ก้นบ่อแล้วเราถอยขึ้นมานะเรามาอยู่ปากบ่ออย่าให้ถลําเข้าไปที่ก้นบ่ออย่างนี้พอเข้าใจไหม อยาให้ตกลงค้นบ่อนะเราจะเห็นเลยว่ารูปที่เคลื่อนไหวรูปที่พองที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้ผิดเพียงเขาใจอยู่ต่างหากนะนามธรรมคือใจเป็นคนรู้คนดูอยู่ห่างๆแยกรูปแยกนามซะถ้าคุณแยกรูปแยกนามได้นะคุณจะเดินปัญญาต่อไปได้มันจะเริ่มเห็นเลยว่าไอ้ที่พองที่ยุคอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกรูปมันพองรูปมันยุรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่จิตไปรู้เข้า รู้สึกไหมถ้าดูอยู่ห่างๆมันเป็นแค่ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมเนี่ยเนี่ยต้องรู้ไปเรื่อยนะจนเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วสังเกตไหมใจเป็นคนรู้แล้วค่อยดูไปเรื่อยตัวใจเองก็ไม่ไ ม, ไม่มั่นคงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยวรู้สึกตัวเดี๋ยวเผลอไปเอย่างตอนนี้ใจเราเผลอไปแล้วทราบไหมไ ด, ได้ใช้ได้ทําได้ดีนะเรียนเร็วเลยนะ หนูพ่อชอบนะ่นฝึกพองยุบฝึกสายโลงพ่อเทียนฝึกอะไรเงี้ยชอบเพราะว่าต่อง่ายต่อให้มันเกิดสติจริงๆ ง, ง่ายเนี่ยลงไปอีกแล้วทราบไหมให้รู้ทันไม่ห้ามนะเราไม่ห้ามให้รู้ตามความเป็นจริงเท่า น, นั้นเองเราจะเห็นเลยจิตใจเป็นของที่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจหนีไปแล้วทราบไหมหนีไปทาอะไรตอบส อย่าไปคิดน ะ, นะใครรู้ทันนะรู้ไปดีนะเรียนได้เร็วดีมากเก่งของคุณที่นั่งข้างๆกันละ่ะเมื่อกี้จิตไปทําอะไรมันเสือไปลนะรู้สึกไหมมันลืมตัวเองลืมกายลืมใจนะคุณผู้ชายนะั้นน่ะอย่าถลางข้าไปนนะั้นเดี๋ยวเข้าไปที่เดิมอีกนะอย่าเข้าไปเพ่งนะแยกออกอะไรใช่ไหมรู้กับเพ่งไม่เหมือนกัน พวกเราเนะีปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยเขื่มร้อยละรอยคือนักเพ่งพอเราดูท้องเราก็เพ่งท้องเราดูเท้ายกเท้ายั่งเท้าเราก็ไปเพ่งเท้าจิตถลำไปอยู่ที่เท้าคุณนึกออกไหมนะดูท้องจิตก็ถลำไปอยู่ที่ท้องรู้ลมหายใจนะจิตถลำไปอยู่ที่ลมหายใจขยับมืออย่างลุกติดหลงพัดเทียงขยับมือจิตไหลไปอยู่ที่มือเรื่อรู้อีวิยาบทสี่นะจิตไปเพ่งกายทั้งกายเนี่ยส่วนใหญ่พวกเรานะักปฏิบัตินะไม่ว่าจะฝึกยังไงอะ เกือบทั้งหมดก็คือนักเพ่งนะเพราะว่าการเพ่งเนี่มันทำง่ายการรู้นี่ทํายากสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้านะก็มีแต่นักเพ่งนะเราคุ้นเคยที่จะเพ่งเไม่คุ้นเคยที่จะรู้สึกเด็กตอนนี้คุณทําอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ยหลงไปซากไม้หลงไปในความคิดนะ <Yeah. S 1> ให้รู้นะไม่ห้าม จะเห็นเลยว่าจิตเนี้เป็นของไม่เที่ยงจิตเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆคุณดูออกไหมดูไปเรื่อยนะดูวันหนึ่งก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันได้เองมันใดเห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราเรียกว่าสักกายอาทิตย์อยขาดได้เป็นพระโสดาบันอ้าคุณที่นั่งข้างๆทําอะไรอยู่เมื่อกี้เนี้ยเผลอจับถูกใช้ได้รู้จักเผลอล้วใช้ได้ สิ่งที่ผิดมีสองงานนะเผลอไปกับไปเพ่งเอาไว้คุณผู้ชายเสื้อแดงแนละ้เริ่มถลัมเข้าไปอีกแล้วรู้ไหมอย่าไหลเข้าไปช่องนั้นนะแล้วเข้าไปช่องนั้นได้แต่สมถะอ้าจันใจลอยไปแล้วดู <c oughs> เขาน้าตามส่งกันบ้างโอ้ยประโยคนี้ขี้เกียจพวกขี้เกียจีไม่อยากคุยด้วยเลย ทมรมั่ไม่ใช่เรื่องของคนขี้เกียจ น, นะต้องขยันนะตาเราหาความสุขหลงไปข้างลอกข้างนอกนะหลงอะไรนะว่าหลงแบบไหนนะโอ้ยเราไม่ไวัยรุ่นแล้วเรารุ่นใหญ่มากแล้วไม่ใช่วัยรุ่นแล้วมันพลีเดชแล้ว เอออย่าไปลงระเลงนะเดี๋ยวผีหักคอแล้วหลวงพ่อช่วยไม่ทันนะสองคนเนี้ยเพื่อนนหรอเคยฝึกไหมไม่เคยฝึกเหรอไม่เคยฝึกนะแค่คอยรู้ทันใจของเราไปเป็นอย่างคนเข้ามาชมเราว่าหล่ออนเงี้ยใจเราพองเลยเรารู้ใจเราพอง คนเข้ามาว่าเรานะใจเราโมโหอะไรเรารู้ว่าโมโหให้คอยรู้ทันใจตัวเองไปรู้จักดีใจไหมเคยเสียใจั้มเคยเสียใจไหมรู้จักไ้ยเสียใจเป็นไงความรู้สึกอ่ะเคยลกรมัหมเคยสงสัยั้ยเคยอิจฉาบ้างไหมเคยเห็นกันใช่ไหมเคยกังวลมแม่รู้ทุกอย่างเลยเห็นไหมหลวงพ่อถามตัวไหนก็รู้จักทั้งนั้นอะ ต่อไปนี้ความรู้สึกอะไรกำลังเกิดขึ้นในใจเรานะค่อ ย, ร, อยรู้ไวๆไหน่อย <c oughs> ให้ค่อยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆ <c oughs> คุณเสื้อแดงเข้าไปเพ่งอีกแล้ว <c oughs> อ้าวคนนี้ล่ะนั่งถัดมาถัดจากคุณเสื้อแดงเนี้ยส่งกันบ้านเลย <c oughs> มันไม่ดีนะเอาอะไรมาวัดล่ะเออรู้ไม่ทันไม่เป็นไรให้รู้ก็แล้วกัน นะแต่ว่าต้างรู้ไวหน่อยนะอย่างเมื่อวานโมโหวันนี้รู้ว่าโมโหนี้ใช้ไม่ได้แต่ถ้าโมโหไปแล้วสองนาทียังไม่ทันจะหายโมโหเลยรู้ทันว่ากำลังโมโหอยู่อย่างนี้ใช้ได้คุณเสื้อแดงอยาทไปเที่ยวหามันนะไปหาอยู่ก็รู้ว่ากาลังหาอยู่รู้ทันตัวเองเรื่อยๆ เ, เอา้าเอา้าคนนี้เสื้อสีฟ้ารู้จักใจลอยหรื อ, อยัง รู้จักคำว่าใจลอยไมเบิ่งเบิ่งไปชิดชิดไปเออภาษาพราะว่าขัดสติขัดสติลืมตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองนั่นแหละเพื่อนตาในวันนี้ยใจลอยไปแล้วรู้สึกเปล่ารู้จักใจลอยไหมใจลอ ย, อยนึกเบิ่งเบิ่งไปอ่างเงี้ยใจแอบิดชิดะอะเบิไปแล้วนะคนที่นั่งคนสุดท้าย น, นู่นอะ เมื่อกี้นี้ทําอะไรอยู่อส่วนที่มีแว่นตาเพื่อนจันอ่ะเออตับสูกใช้ได้รู้สึกไหมมันหลงไปคิดตอนที่เราหลงไปคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดใช่ไหมแต่เราจะลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจตัวเองนะเมื่อนั้นเรียกว่าหลงทั้งหมดไม่ได้ปฏิบัติโยอ่ะโยทําอะไรโยเออเต๋อตับสู่ แอบมานั่งตรงนี้เผื่อว่าไม่เห็นเรืทกทำรงครามรู้จักเลือกชัยภูมิคุณเสื้อแดงลืมตัวเองแล้วทราบไหมให้คอยรู้ตัวเองไปเรื่อยๆนะไม่บังคับนะไม่มีคำว่าบังคับสักนิดเลย แต่ว่าจิตใจของเราแอบไปทําอะไรเราก็คอยรู้ทันไปเรื่อยๆตามที่เขาเป็นเนี่ยนี่ไปคิดทราบไหมนะก็คอยรู้ทันถ้าเมื่อไหรเรารู้ทันเราจะตื่นขึ้นมาธรรมชาติของคุณเรียนอภิธรรมหรือเปล่รราฝึกพองยุบเนี่ยได้เรียนอภิธรรมบ้างไหมเรียนอภิธรรมบ้างเปล่าธรรมชาติของจิตเนี่อรู้อารมณ์ได้ครั้งหนึ่อย่างเดียวอันนี้ทราบใช่ไหม อารมณ์มันก็มีสองงานอารมณ์บัญญัติกับอารมณ์รูปนามอารมณ์บัญญัติก็คือเนื้อหาเร world, we we people, ื่องราวที่เราคิด่ะเมื่อไร่เราไปรู้เรื่องราวที่เราคิดนะเราจะรู้รูปนามไม่ได้สังเกตไหมตอนที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดปุ๊บเราจะลืมกายลืมใจตัวเองเนี่ยขณะเนี้ยลืมรูปนามแล้วรู้สึกไหมคอยรู้ไปเรืยนะอย่าหลงคิดนานนะพอใจมันหลงไปคิดปุ๊บรู้ทันว่าใจไปคิดเนี่ยเรียกว่ารู้รูปนามนะ การรู้ทันจิตของเราก็คือรู้นามเลยเนี่ยหนีไปคิดแว บ, บละ่ะทราบไหมเออดีฝึกได้เก่งไปเรียนจักอาจารย์ไหนล่ะฟองยุบพื้นฐานฝึกมาดีดเออก็ดีฝึกไปนะเนี่ยเริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหมคอยรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆคุณไปภูนรู้สึกอ่ะวันนี้ล่ะที่มีแมวกับหนูเนี่ย ่าาาให้เ็นรชานจะทได้ยังไงือว่าธรรมชาตมม code, ิม pues nope. ันจะลงอ่งความสุขเออใช่แลีก็อยากจะแก้ให้อยกอู้กว่ามีกลังใจว่าูกแล้วคคิดอย่า้มันต้องคิดเพราะว่าเราห้ามเขาไม่ได้จิตนะมีหน้าที่คิดเราจะสั่งไม่ให้คิดไม่ได้ การปฏิบัติธรรมนะเช่นเมื่อตาเรามองเห็นความรู้สึกมันเกิดขึ้นเราก็รู้ทันอย่างตอนนี้ฟังของพ่อพูดใช่ไหมใจมันสงสัยแวบขึ้นมาดูออกไหมเนี่ยก็หัดดูอย่างนี้แหละตอนที่เราดูลงไปเที่ยงความคิดไปเรือ่อยๆจะแยกออกมาให้ย้ยอนกับดูไม่ย้อนอย่าไปจงใจใก็ดูไปเรื่อยให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงสักอันเดียวไม่ใช่ฝึกเพื่อจะให้มันแยกนะ ฝึกเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหรอกมันทํางานของมันเองไปไปว่างๆเราไปหาดูศึกษาคนเดียวกัน <c oughs> อยู่สุรินเลยไม่ใช่ไม่ใช่วัดวัดอะไรวัดเข๋ววัดเก๋วสินารินขึ้นอำเอาภอเมืองหละอำเภอเมืองนะแต่ขึ้นไปทางทางจอมพระสิบสี่กิโลได้ แค่มีทางแยกเข้าไปก็ดูป้ายเข้าไปก็แล้วกันป้านกลาวสินลินเ่ามากไม่ได้ น, นิโยมันอัเทปมาวอรว้ออะไรหัว้ออไรห้ออะไข้อวข้อัข้ว้ออมไห้วะรอะอะั้อ้ะอว้วหอ แ <c oughs> น่นเราปฏิบัติเลยนะคะจิตมันก็คิดไปเราเรารู้ว่าเกำังคิดอยู่ก็เราเราบอกว่าจำให้คิดห่อกูเ่เรื่องมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนคำว่าคิดห น, อน่อก็คือการคิดอีกอันหนึ่ง <Wow. S 1> เราแค่เปลี่ยนเรื่องคิดเท่านั้นเองนะ mm hmm. คือฟังหลวงพ่อลองไปพิจารณานะครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละสำนักแต่ละองค์อะไรเนี้ยท่านจะสร้างกลอุบายขึ้มาแท็กติกอะอุบาย แท็ติกกัหลักเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างว่ายกหน่อพองหน่ออะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะยกหนอยย่างหนอกระทั่งบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนนะดันั้นแต่ละอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยมักจะสร้างอะไรขึ้นมาบางอย่างเป็นอุบายเพื่อจะช่วยลูกศิษย์ในลูกศิษย์จะมีหน้าที่ว่าเมื่อทําตามอุบายของอาจารย์แนละต้องไม่ทิ้งหลัก ในขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นอาจารย์สอนว่าโกรธหนอถ้าโกรธหนอเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะของความโกรธกำลังรปรากฏอยู่อย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าโกรธหนอเพื่อจะให้หายโกรธแล้วก็นี่ไม่ใช่แล้วนี่ผิดหลักละเพราะหลักก็คือพระพุทธเจ้าสอนดูก่อนที่ษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะนี่คือหลักนะ ส่วนอาจารย์พอรู้ว่ามีโทสะแล้อาจารย์ก็เติมโกรดหนอลงมาอาจารย์จะช่วยเรานะสร้างตัวช่วยขึ้นมาแต่พวกเราก็ไปใช้ตัวช่วยผิดปัทถุประสงค์นะถ้าโกรธหนอแล้วเราก็เตือนตัวเองเป็นการเตือนตัวเองให้รู้สภาวะของความโกรธแล้ว เ, เห็นว่าความโกรธที่เกิดขึ้นเป็นแค่สิ่งแปลกปลอมเข้ามาเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่จิตไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นนามธรรมาอันหนึ่งเท่านั้นอย่างนี้ถูกหลัก แต่ถ้าพอโกรธขึ้นมาเราโกรธเนาะโกรดเนาะเพื่อให้หายโกรธอันนี้คือสมถะล่ะขัดกับหลักของวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าบอกท่านสอนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะท่านไม่ได้บอกว่าให้บริกรรมให้หายจากโทสะนั่นต้องแยกกันให้ออกนะว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นอุบายไม่งั้นเราจะไปพลาดเราจะไปหลงแต่อุบายนั่นอย่างพอใจมันคิดเนี่ย อาจารย์บอกว่าคิดหนอนเป็นการเตือนให้เราเห็นสภาวะว่าจิตแอบไปคิดอย่างนี้ใช้ได้ทันทีที่เราเห็นว่าจิตแอบไปคิดเนี่ยความคิดจะขาดสะบั้นไปแต่ถ้าเราไปมันคิดอยู่แล้วก็คิดหนอคิดหนอเพื่อให้มันเลิกคิดอันนี้คือสมถะถึงจะไม่ใช้คําว่าคิดหนอนะไปใช้คําว่าพุทโธใช้สัมมาระหังก็เหมือนกันหมดเลยนะหรือไปท่องสูตรคูณแทนก็เหมือนกันนะ มันก็ขาดเองนั่นอย่างนั้นก็ถูกแล้วแต่ว่าหัดใหม่ๆบางอาจารย์ท่านก็สร้างอุบายต้องแยกให้ออกนะว่าอะไรเป็นอุบายของอาจารย์อะไรเป็นหลักนะต่อไปจะต้องฝึกจนกระทั่งว่าพอใจไหลไปคิดขยับอยไปคิดปุ๊บเห็นแล้วขาดสะบั้นเลยนะเสร็จแล้วเราจะได้อะไรขึ้นมาจิตที่หลงไปคิดนะนะ่นแะเป็นจิตอกุศล จิตที่รู้ว่าเมื่อกี้แอบไปคิดตัวนี้เป็นจิตที่เป็นกุศลถ้าฝึกได้อยู่แค่นี้แล้วทําอย่างอื่นไม่เป็นเลยก็พอแล้วนะจิตเผลอไปนี่เผลอไปก็เผลอไปคิดแหละแต่จิตที่รู้ว่าเมื่อกี้คิดจิตที่เผลอไปเป็นตัวแทนของอกุศลจิตทั้งหมดเราจะเห็นเลยจิตจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตที่รู้ว่าเมื่อกี้เผลอเนี่ยเป็นจิตที่เป็นตัวแทนฝ่ายกุศลพอรู้ขึ้นมาเราก็ตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งรักษาไว้ไม่ได้ รู้สึกไหมเดี๋ยวมันก็ไปคิดใหม่ในสุดเราจะเห็นเลยจิตจะเผลอไปนะห้ามไม่ได้จิตรู้สึกตัวเนี่ยสั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ในที่สุดเราก็เห็นความจริงว่าจิตทุกชนิดเกิดเราดับบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าเข้าถึงความจริงเข้าถึงธรรมะเดินปฏิบัติต้องมุ่งมาให้ได้อย่างนี้นะไม่ใช่ไปนั่งแก้ไปเรื่อยๆหลายคนชอบไปแก่อเช่นพอโกรธขึ้นมาก็ปกรธเนาะโกรธเนาะหรือพุโทโธพุโทโธให้หายโกรธ หรือไปแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้หายโกรยก็ดีเหมือนกันแต่ดีแบบสมถนะสมถะเนี่ยมีหลักที่ว่าจิตมันไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สงบทําให้สงบจิตมีกิเลสหาทางละเสียนะิพพานจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีจิตดีรู้ว่าดีแล้วเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราเนี่ยตรงนี้พอเข้าใจไหมเพราะงั้นไม่ใช่เรื่องการแกล้งการบังคับนะ หลงพ่อเทียบให้ฟังตอนที่เราใจลอยไปเป็นอกุศลนะจิตหลงไปเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่าใจลอยเนี่ยเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วตรงที่คิดว่าเอ่ยนะเหลื อ, ห ร, อ, ห, ห, ร อ, ห, อหรืออะไรเหือหนอหรือเปล่าหรืออะไรคิดหนอเออตรงที่คิดหนอเนี่ยคือการคิดครั้งใหม่คือการหลงอันใหม่ละในขณะที่รู้กับขณะที่คิดเนี่ยคนละขณะกันนะไม่เกิดด้วยกันหรอกจิตที่รู้กับจิตที่คิดนะคนละดวงกัน อย่างคิตตอนนี้จิตที่คิดรู้สึกไหมจิตที่คิดรู้ขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็เป็นจิตที่บังคับไว้รู้สึกไหมมันเริ่มบังคับแล้วงั้นสิ่งที่ผิดมีสองอันนะหนึ่งเผลอไปพอรู้ทันปั๊บก็บังคับเลยฝึกโต่มาข้างบังคับยจิตจะเหวียงซ้ายเวียงขวาอย่างเงี้ยไม่เผลอไปก็บังคับไม่เผลอไปก็บังคับหน้าที่ของเราก็คือเผลอบ่อยๆรู้บ่อยๆถึงจะได้รู้ขึ้นมาทีที มันขาดสติและ้นะเราพยายามรู้สึกตัวไว้เวลานั่งเนี่ยนั่งนั่งดูไปไอ้ที่นั่งอยู่นี่เป็นรูปนั่งนะเป็นรูปนั่งนะใจของเราเป็นคนดนะูให้มันมีใจเป็นคนดูนะรูปเป็นของถูกรู้ถูกดูใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนดนะูให้มันมีสองอนนะเหมือนเรามีสองคนอนะคนหนึ่งนั่งอยู่คนหนึ่งเป็นคนดูพอเข้าใจไหมอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้บ่อยๆ จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เห็นเลยรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนใจมันเป็นคนดูแยกรูปแยกนามไปเรื่อยๆในสุดจะเห็นเลยรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่ใจไปรู้เข้าอันนี้พอดูออกไหมเนี่ยดูไปจนกระทั่งเห็นว่ารูปรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเสรแล้วก็เหลือจิตล่ะอันนี้จิตใจเนี้ยเดี๋ยวก็เผลอไปทางตาเผลอไปทางหูเดี๋ยวเผลอไปคิดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่อยรู้ไปเรืย ในสุดก็เห็นความจริงอีกจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับเขาไม่ได้นะเมื่อเห็นทั้งกายทั้งจิตไม่ใช่ตัวเราก็เรียกว่าสกายสิทธิขาดน่ะได้เป็นทัศนบัณฑ์มันมีกระบวนการตัดนะไม่ใช่อยู่ๆก็นึกนึกเอาวก็เอ า, เอาละขาดละตอนนี้สมควรขาดละไม่ใช่นะเห <c oughs> ็นโ ม, มเมลเองไม่ได้อย่างตอนเนี้ยนนรู้สึกไห้เป็นอยากพูดรู้สึกไหม <c oughs> เห็นแรงดันในอกไหมเออนะ่ แรงดันตัวนี้เรียกว่าตัณหาวิธีดูก็คือตัณหาเกิดขึ้นแล้วดูซิเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ย ง, ยงดูไปความรู้สึกตัวอื่นก็ผุดขึ้นแบบเดียวกันนี้แหละอย่างนี้พอไหวไหมต่อไปนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากระทบอารมณ์ตามปกตินะมีตาเราก็ดูมีหูเราก็ฟังมีใจเราก็คิดแต่พอไปดูไปฟังไปคิดแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจนะมันอย่างความอยากพูดเรารู้ทัน ก็จะเห็นเลยเขาเกิดแล้วเขาก็ดับเขาเกิดแล้วเขาก็ดับเนี่ยฝึกไปอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นแต่เกิดแล้วดับนี่ทางนามธรรมานะส่วนรูปเนี่ยเราก็เห็นเกิดดับรูปที่พองก็อนหนึ่งรูปที่ยุบ ก, ก้อนหนึ่งรูปยกรูปย่างก็โคลโานกันหมดเลยมีแต่เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันรูปไม่ใช่ตัวเราของถูกรู้ถูกดูอย่าง ข, งขนาเนี้หนีไปคิดแล้วทซ้ำไหมใจจะหนีไปคิดนะห้ามไม่ได้ใจอยากพูดดูออกไหมออเอเอนั่นแหละดูไป ธรรมะไม่ต้องถามหรอกเชื่อหลวงพ่อเถอะเห็นไหมมันตนไม่ไหวเห็นไหมต่งขาอยู่ไหมะต่างขาเหรอต่งขาให้รู้ว่าต่งขาสงสัยอ่ะสงสัยให้รู้ว่าสงสัยความสงสัยก็ไม่เชื่องเหมือนกั น, น, น, นสสหลวงพ่อจะบอกอะไรให้คนที่หมดสงสัยต้องเป็นพระโสดาบันงั้นคุณถามคุณคิดไปคุณก็สงสัยไปนะหลวงพ่อตอบเดี๋ยวคุณก็สงสัยเรื่องใหม่ สู้อย่างนี้ไม่ได้ความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยเห็นว่าความสงสัยเกิดแล้วก็ดับไปความโกรธเกิดแล้วก็ดับความโลภเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับคุณเห็นเองเดี๋ยวก็แจ้งรู้ด้วยตัวเองใจเด็ดเด็ดนะเรียนธรรมะอย่าเรียนด้วยการฟังเลยอย่าเรียนด้วยการถามเลยไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่หรอก <c oughs> ให้รู้ทันลงไปเลยแล้วจะเห็นเลยความสงสัยเกิดแล้วก็ดับทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับนะการปฏิบัติในขั้นแรกเรามุ่งไปสู่ความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันคือคนที่ละความเห็นผิดได้ละว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งนั้นดับหมดเลยไม่มีอะไรเป็นตัวตวนที่แท้จริงงั้นความสงสัยเกิดขึ้นมาเราก็เห็นความสงสัยเกิดแล้วก็ดับนี่ความโลภเกิดแล้วก็ดับความอยากจะพูดอยากจะถามเกิดแล้วก็ดับ มีจะเห็ น, นทุกอย่างเกิดระดับเนี่ยถ้าวันหนึ่งใจยอมรับอันนี้นะก็จะเข้าถึงธรรมะแต่ถ้าคุณสงสัยคุณก็ถามสิ่งที่ได้กลับบ้านไปคือความจําไม่ใช่ความจริงอย่างหลวงพ่อบอกให้มันธรรมะเฉพาะของหลวงพ่อธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวหลวงพ่อบอกไปคุณก็ได้แต่จําไม่ใช่ของจริงนะของจริงต้องดูเอาเองเอาเอ า, เอาให้ถามเพื่อกู้ใจตายสายเกลียกล่อมเอเอาถามมา คนสภาวะของการสมทธะเขาจะไม่เหมือนกันค น, คนก็จะเห็นแบบสลายแต่ของเราจะแบบว่าจะเห็ น, หนคือไม่ได้ไม่ได้นั่งใจนั่งนั ง, งหมดใจเนยแต่แบบปวดริงอ่ะอดิชางทุกข์ ข, ขนันนั่นแหละใจมันก็ชิดขึ้นมาอย่างที่นั่งๆั่งแล้วตัวสลายไปแขนขาหายไปอะไรเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาญาณนะอันนั้นเป็นอาการของสมถะทั้งสิ้น หลวพ่อถึงบอกนคนส่วนใหญ่ที่นั่งปฏิบัติกันนะ่ะทำสมถะนั่งบังคับตัวเองไปเรื่อ้ ๆ, ๆเดี๋ยวก็เกิดอาการทางจิตซึ่งเป็นอาการของสมถะเช่นตัวลอยตัวเบาตัวหนักตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโครงพังองะวูปวาบนี่สมถะทั้งนั้นเลยเนี่ยเผลอแล้วรู้ไหมเราอินในการเล่าแล้วรู้สึกไหมเราหลงหลงหลงนี่เรียกว่าหลงหล ง, ลงทางใจหลงคิด อยรู้ลงปัจจุบันแต่อย่าไปหลงนะอย่าหลงนานเรียนจะหลงพ่อนะหลงพ่อเรียกร้องอันเดียทนท น, ทนไว้นะหลวงพ่อสอนแบบโหด ร, ร้ายทารุณปกติแล้วจะไม่ค่อยสงสัยเพราะว่าจะปฏิบัติไปเรื่อยแต่พอมาครั้งที่ปฏิบัติมันเปควสงสัยนะคะดีแล้วที่สงสัยนะไม่งั้นจะไปหลงทำแต่สมถะต้องเห็นสภาวะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ เรวใจของเราเป็นแค่คนรู้คนดูไปได้ยอย่างเมื่อกี้อย่างความอยากพูดมันเกิดรู้สึกไหมมันเป็นของที่ใจไปรู้เข้าเลยแล้วมันก็ดับนะรูปพองรูปยุบเป็นของที่ใจไปรู้เข้าทั้งนั้นเลย<ส>อะไรอะไรก็ของที่ใจไปรู้เข้าทั้งนั้นแ ล, แล้วก็ เ, เกิดแล้วก็ดับหมดแหละ<ส>ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะ<ส>ทั้งรูปทั้งนามแต่ระวังอันเดียวอย่าไปบังคับตัวเองตอนนี้บังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหมแข็งทื่อแล้ว บังครับตัวเองบังครับกายบางครับใจ <c oughs> ใ, ใจหนีไปคิดแล้ว <c oughs> ให้รู้ว่ากำลังสงสัยทันทีที่รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ขณะนั้นปฏิบัติถูกแล้วไม่มีใครปฏิบัติถูกตลอดเวลานะถูกก็ถูกทีละขณะถูกเมื่อรู้สภาวะลงปัจจุบันได้เช่นจิตกำลังสงสัยรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่นี่ปฏิบัติถูก จิตกำลังสงสัยแล้วไปคิดว่าเออเราปฏิบัติถูกไหมยิ่งคิดหนักเข้าไปอีกยิ่งไม่ถูกใหญ่เอาปุณเสื้อแดงระวังอย่าไปหลงเพ่งเข้าไปข้างในซึมซึมไม่ได้นะถอยขึ้นมาออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้อย่าหนีหนีโลกข้างนอกเข้าไปข้างในพยายามไปสังเกตมันแล้วทราบไหมให้รู้ทันนะรู้ทันตัวเองอย่าไปบังคับมันนะดูเล่น หนูนาทำอะไรเมื่อกี้แกล้งเ อ, อ๋รู้รึเปล่าชอบแกล้งเ อ, อ๋หนูนาแกล้เ อ, อ๋ <c oughs> แล้วสบายใจเ <c oughs> ป็นหลบอยู่แล้วสบาย <c oughs> ใช่ไมไม่ดีนะไ <c oughs> งจูนวะไงจูน <c oughs> อ้าโยคนสุดท้ายเป็นไงบ้างโย ไปฝึกอะไรใหม่ก็ืเปล่าช่วงนี้ไือจะทำอะไรมาล่ะเยอะนะเวลาไปฝึกมีเรียกว่าผ่อนรกบไม่ใช่พ่อนสวรรค์นะช่วงไหนฝึกมาสติอะไรสัมผชัญญาดีแล้วนะชอบลองของอะเห็นได้ยินว่าใครก็ทำอะไรนะจะไปลองทำแต่พอใช้ได้ไม่เป็นไร ระวังอย่าทำด้วยโลภะเยอะนะก็แลเดี๋ยวแข็งแข็งขึ้นมาอีกนั่นแหละแค่จงใจนิดเดียวก็จงใจนิดนึงก็หนักแล้วแต่ว่าทำแล้วรู้ทันก็ใช้ได้แล้วรู้รู้ก็รู้ไปเนี่ยเลิกเลยชอบลองของนะทำดีๆขึ้นมาแล้วก็ ไปทดลองอะไรแปลกๆมา ก, ก่อนหน้านี้ก็ไปทดลองตามแบบห่วงโปห <c oughs> นังสือของเซนต์นนะต้องอ่านเพื่อให้เลิกปลุมแต่งนี่ก็ไปอ่านแล้วตีความว่าเล็ะสิใช่ไนะ <c oughs> ไม่ใช่อ่านนะแล้วไปตีความเอานะ <c oughs> ของเซนต์เขาจะสอนในอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะในส่วนไม่มีทางดิ้นรนใจก็หยุดถาใจหยุดที่จะตื่นรู้สึกขึ้นมา ทำอะไรแล้วโยดูออกไหมจะได้จะได้ดีแล้วโยช่วงนี้ดีนะโยจะขยับอะไรก็ได้แต่ว่าตอนแน่นเรารีบรู้ไว้รู้แล้วเลิกไปต่อไปมันจะขยับนะ้นยีเห็นรูปไหวแต่ใจไม่หนักถ้ารู้ถูกต้องเนี่ยใจจะไม่มีน้ำหนักถ้ารู้ไม่ถูกต้องใจจะมีน้ำหนักทล้วเมื่อไรที่ปฏิบัติแล้วใจมีน้ำหนักนะก็เป็นเครื่องชี้วัดว่าทาผิดแล้ว ทำผิดแล้วห้ามขยันนะทำผิดแล้วเลิกทำผิดแล้วแข็งแล้วทำไงจะเลิกแข็งแมันก็แข็งมากขึ้นเรื่องั้นะทำผิดแล้วห้ามขยันนะทำผิดแล้วเลิกคุณเลิกแล้วรู้สึกยังไงหนีไปคิดแล้วทราบไหมอุสาห์ขยับใช่ไหมขยับแต่เรื่องอย่างนี้อุตส่าห์หนีไปได้เพราะอะไรเพราะว่าเราบังคับเขาไม่ได้ เรียนเพื่อให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่เรียนเพื่อจะบังคับให้ได้อย่าไปวาดภาพนะว่าพระอาหารหันต์คือคนที่บังคับจิตให้ดีถาวรให้สุขถาวรได้จิตเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับได้หรอกพระอาหารหันต์คือคนที่รู้ความจริงว่าขันห้าบังคับไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางความยึดถือได้ไม่ใช่ไปฝึกจนบังคับสําเร็จนะพวกเราชอบบังคับมากเลยทําให้เคร่งเครียด เป็นการปฏิบัติที่เหน็ดเหนื่อยน่าสงสาร